กล่าวถึงต้นเหตุทรงอนุญาตกรถินอ น, นิสงห้าเมื่อได้กรานกระถินกรานคือลาดผ้าลงกับไม้สดึงกรถินเป็นชื่อของไม้สดึงคือไม้แบบสําหรับตัดจีวรหมวดนี้ยังว่าด้วยเรื่องกระถินไม่เป็นอันกรานข้อกําหนดแปดอย่างในการดาะกระถินคือรื้อไม้สดึงความกังวลและไม่กังวลเกี่ยวกับกรถิน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 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องลงโทษเช่นอุเขปนิยกรรมคือการยกขึ้นจากหมู่เป็นต้น 6. โกสัมพิขันธกะว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพีส่วนใหญ่กล่าวถึงเรื่องสงแตกสามัคคีกันแล้วส่งแสดงวิธีรองดองของสงในทางพระวินยัย